พุทธวัสวัสดีค่ะท่านฟังคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันนิสนทนาที่ FM ครอบครัวข่าว FM106 รนะคะดิฉันสันนีนฐานาพงเป็นผู้ดำเนินรายการ เราพบกันจันท์ถึงสุขเริ่มต้นด้วยการให้ท่านได้เข้าถึงการปฏิบัติธรรมและหลังจากนั้นก็ยังได้ฟังคําของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธวจนะกันด้วยซึ่งท่านมาร์กในสัปดาห์นี้ท่านก็บอกพยายามจะให้เราได้เข้าใจถึงการเกิดมาของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนจากพุทธวจนะนะคะนมัส ก, การกับท่านคะเจริญพรค่ะวันนี้ต้องต่อกันเลยละกันวันนี้ ล้วก็มาเจริญอาณาปานาสติทำความเพียนเผากิเลสกันต่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มได้เลยโดยการรู้ลมหายใจพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง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 ได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมซึ่งหมูสัตว์กับทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น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 เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ครบถ้วนชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนาน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนถึงการที่เรามาเจริญทำห้าอย่างสำหรับคนเจ็บไข้ทุพพลภาพที่จะทําให้ถึงความเป็นพระอาหารหันต์ได้ในปัจจุบันพระองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าทํห้าประการไม่เว้นห่าง ไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกพลภาพคนใดข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นหวังได้คือเขาจะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะกิเลสมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ ทำห้าประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณนีนี้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีปกติเห็นความไม่งามในกายอยู่เป็นผู้มีปกติสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารอยู่ เป็นผู้มีปกติสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอยู่เป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงอยู่มารณสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในอยู่ภิกษุทั้งหลาย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 ในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเที่ยวดังนี้นทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามาเจริญทำห้าประการสำหรับคนเจ็บไข้ทุกพลภาพสามารถนำไปสู่การสิ้นเกลยดได้นั่นคือข้อแรกมันเห็นความไม่งามในกายข้อที่สองมันเห็นความปฏิกูลในอาหาร ข้อที่ 3. วางความพอใจในโลกทั้งปวงข้อที่ 4. ตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงและข้อที่ 5. มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในมักวิธีง่ายๆนี้สำหรับผู้เจ็บไิษสาหรับผู้เจ็บไข้ทุพพลภาพถ้าเขาเจริญให้มากก็นำไปสู่การสิ้นกิเลส สิ้อาสวะได้ในปัจจุบันสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาใครใจอยู่ในสมาธิก็ทําได้หรือใครจะออกจากสมาธิก็ทําได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาประพฤติปฏิบัติกันต่อค่ะเท่ากับว่าพุทธิปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเลิศในการที่จะสอนใครก็ต้องดูให้เหมาะกับเขาใช่ไหมคะทีนี้ก็เป็นมัควิธีที่คนป่วยคนทุพพลภาพ คนเจ็บทั้งหลายเนี่ยเอาไปปฏิบัติแล้วง่ายถูกไหมคะใช่สามารถเข้าถึงความสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะได้ค่ะไม่ว่าต้องแข็งแรงเท่านั้นนะคะถึงจะหลุดพ้นสาหรับพระพุทธองค์นั้นคนเจ็บไข้อ่อนแอ <c oughs> ก็มีโอกาสหลุดพ้นขอแต่เพียงเอาไปทำเท่านั้นเองวันนี้ก็นมำสการขอบพระคุณท่านมาร์กนะคะกระมาร์คชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบค่ ะ, ะน้ำสการท่ น, นคะ่ะ